ราเมระยะปาเนปาจิตติยังอังกุลิปโตดเกปาจิตติยังอุดกเกหัสสะธรรมเมปาจิตติยังอนาริเยปาจิตติยังโยปะนาปิคุปิคุ้งผิงซาเปยะปาจิตติยังโยปะนาปิคุอกิลานวิสวนาเปโขโจติงสมาดาหิยวะสมาดาห้าเปยยาวะอัญญัตระตัถารูปะปัจจัยปาจิตติยัง โยปะณภิกุโเรนัฏฐมาสั่งห้าเยยะอัญญัตระสมัยาปายิติยังตถายังสมัยโยดิยโทมาโสเสโสยิมมานติวัฏซาณสปะทโมมาโสอิจเจตัทกตยมาซาอุณณสมยโิปริลาหสมยโยกิลานสมยโยกามมะสมยโยอัฏฐานกมณสมยโยวาตวุทธิสมยโยออยังตถสมยโ นวมบนาภิกุนาจีวรลลาเภนะติณองดูปนากรนองนังอัญจทรังดูปนากรนองอาดาตบังนีลังวากรดามังวากาละซา mangwa อนนั้นได้เจ็บพิกุตินังดุปันนารรนนังอันญี้ตรังดุปันนารรังดวังกีวรังปริผลเจยยปากิติยังโยปันนาิกุพิกุสาพิกุนิยาสิกขมานายวาสามันเนรสวาสามันเนริยาวาสามังกีวรังวิกาเปตตวาอปจุดธาระกังปริผลเจยยปากิติยัง โยปะนภิกูุภิกขุสะปตังวาจีวรังวานิสีดนังวาสุจิขะรังวากายบันทนังวาอปะนิถียาวาอปะนิถาไปยาวา อันตมะโซหะชาเปโขปิปากิติยังสุราปานาโกชัดพอโยปานาภิกขุสันจิตักปานองจีวิตาวโรเปยปาจิติยังโยปานาภิกขุจานังสะปานอกังอุดะกังปริผลเจยปาจิติยังโยปานาภิกขุจานังยถธาธรรมมังนิหาตาธิกรณองปุณกรรมายะอุโกตังยปาจิติยัง โยปนะพิกุปิกุสระจานังดุท้นลังอาปติงปะติชาเดียปากิติยังโยปนะพิกุจานังอูนะวีสติวัดสังปุเกลังอุปสัมปาเดยะโสจักภูเกลอนุปสัมปันโนเตจักพิกุการิยาอิดังตัสมิงปากิติยังโยปนะพิกุจานังเทยัสเทนะสติงสั่งวิทายาเอกขันธ์นบังปะทังอิปัจจะอันตมัโสกามันตรัมปิปากิติยัง โยปะณะภิกขุมาตุกาเมะสถิงสังวิทายะเอกถานนามังกังปะณีปัจยะอันตมาโซกามันตรำปิปากิติยังโยปะณะภิกุเอวังวัฏเดยะสะถ่าหั่งภะกวะตาธรรมังเดจิตังอาจานามิยะท่าเยเมอันตรายิกาธรรมาวุตตาภะกวะตาเตปะณีเทวโตนาลังอันตรายาญาติ โสภิกขุภิกขุหิเอวะมัสวจณีโยมาอาจสมาเอวังกวจะมาผังกวันปังอภาคิคิณะหิธาตุผังกวะโตอภคกานังนะหิผังกวาเอวังวัดเดยะเนกาปริยาเยนะอาวุโสอันตรายิกาธรรมาพุตตาผังกวะตาอรัญจะปาณาเตปปัญเชวะโตอันตรายยาเต เอวันจะโซภิกข ja. no nah ุภิก <được> ข <Felix> <for S 2> ูหิวัจ mano เทวบัพกันเนียโซภิกขุภิกขุหูหิยาวัตติยังสมโุพาสิสัมโบตัสปะตตินิตังไกยะยาวัตติยันเจสมโนพาสิยะมาโนตังปัตตินิตเจยาอิเจตังกุสลังโนเจปัตณินิตเจยาปาจิติยัง โยปณนะภิกขุจานังจตธาวาดินาภิกขุนาอากาศมารุธรมเมนะตังดิทร่งกับติเนสเทนะสัถิงสมผลเจยาวะสังวัตเยาวาสหาวาเสยังกะเปยยะปาจิติยัง <laughs> สมนตเดโซปิเกเอวังวัฏดย ะ, ท ะ, ทะตาท่าหังพักวะตาธรามังเดสิตังอาจ า, อาจานอนามิยะท่าเยเมอันตรายกาธรรม า, าวุตาวตาพัก ว, วะตาเตปะนิเสวโตนาลังอันตรายยาเต โสสมนุเดโซภิกขุหิเอวัมมะสวจเิโยมาอาวุโสสมนุเดสะเอวังอวจฉมาภะวันตังอภะฮาจิคินะหิตาทุภะวะโตอภะข้านังนะหิภะวาเอวังวเดียะอเนกปริยาเยนะอาวุโสสมนุเดสาอันตรายกาธรมมาบุตตาภะวัตาอัลลัญจะปนาเตปติเสวะโตอันตรายยาติ เอวันจะโซสมโนตเดโซภิกขุหิวัจมาโนตเทวบักันนยะโซสมโตเดโซภิกขุหิเอวามัสวจเนโย อจทะเกเตอาบุโซสมนุตเดสะนาเกวะโซภังวาสัทถาอปันสีตัมโบยัมปิจันไนสมนุตเดสารพันติภิกขุหิสถิงดวิรัตติรัตังสหะเจยังสาปิเตนติยราภิเรวินาซาติโยปะนาภิกุจานังทธานาสิจังสมนุตเดสั้งอุปลาเปยาวะอุปท่าเปยาวะสัมผูเจยาวาจาวาสิยังกะเปยาวาจิตติยัง สปาณะวะโกสัตโตมโยปะณะภิกขุภิกขุหิสหธรรมิกังวุจิมาโนเอวังวเดียนาตาวะหังอาวุโสเอตัดเม่งสิกาประเดสิกิตษามิยาวะนันยองภิกขุงบิยัตตังมีนยะทารังปริปุชามิสีปาจิตติยัง สิกขามาเนนะพิกาเวพิกุณาอัญญะต บ, บังปริปุชิต บ, บังปริปันนิต บ, บังอยังตถาะมีเจโยันาพิคูปาติโมเขอุดิตามาเดเอวังวัตเดยะ กิมปนิเมหิคุดานะคุดะเกหิสิก้าปะเดหิอุดิตเทหิยาวะเดวะกุคุจายะวิเหเขะยะวิเลฆายะสังวัตันตีสิสก้าปดะวิวันเนาะนเกปาจิตติยังโยปะภาพิคุอันวัฏฐมาสั่งปาติโมเขะอุดิตามาเนเอวังวัฏเดยะอิดาเนวบโคอะหังอาจานามิอยัมปิกิระธรรมโมสุตางเกโตสุตปริยาปโนอันวัฏฐมาสังอุเดสั่งอะ ภะจัตเตตัญเจภิกขุงอันไงภิกขุจานในยงนิสินนาปูบังอิมินาภิกุนาดิบิติขตุงปาสิโมเข้กุดิตะมาเนโกปนวาโดภิโยตินาจตสายภิกุโนอัญญนเกนโมุติอธิยันจตถาอาปติงอาปโนตันจะยาธาธโมกาเรตัมโบ อุตรินจัตสะโมโหอาโรเบตัมโบตัะเตอาภูโซอลาภาตัะเตะดุลละถังยังตวังปาติโมเขอุดิตสะมาเนนชาถูกังอัธิกัตวามาสิกะโรซิติอิดังตัดมิงโมหานะเกปาจิตยัง โยปะณะปิกุปิกุตสกุปปิโตอนะตัมโนปหารังดะเดียปาจิตติยังโยปะณะปิกุปิกุตสกุปปิโตอะนะตัมโนตาลัทธติกังอุกิเรยาปาจิตติยังโยปะณะปิกุปิกุงอมูละเกณะสังขาดิเซเซณอนุทังเซยาปาจิตติยัง โยปะณะภิกข sa, eh, ุภิกขุสะสัญจิตยะกุกุจังอุปาหิยะอิติสามโอหุตัมปีอภาสุปวิสตีตเอตเดวะปัจจะยังริตวาอนัญยงปาจิตยังโยปะณะภิกขุภิกขุนังผันดานจียตานังกลาหาจีตานังวิวาดาปนาณังอุปัสสติงติทิยะยังอิเมภะนิตสั่นติตังโสชามีติเอตเดวะปัจจะยังกฤตวาอนัญยงปาจิติยัง โยปะณะภิกขุธรรมิกาหนังกรรมานังฉั่นดังดัดวาปัชชาขียนะตธรรมังอาปเจยปาจิติยังโยปะณะภิกขุสังเขมีนิจฉยะกทายะวตมานายะชั่นหนังอดัตตาอุทายาสนาประกาเมยะปาจิติยังโยปะณะภิกขุสมะเกนสังเขนักีวรังดัดวาปัชชาขียนัตธรรมังอาปเจยะยัทาสันตุตังภิกขุสังขีกังลาผังปรินอเมนติติตปาจิติยัง โยปะณาพิคุจานังสังขิกังลาภังปรินนตังปุกลาจาปรินาเมียปาจิติยังสหธรรมิกาวะโกอัตถมโยปะณาพิคุรัญโคัติยัตซะมุทธาภิสิตาซะอนิขันตราชเกอนิกตราตนาเกปุเบอปัตมิสังวิริโตอินเดคีลังอติการเมยปาจิติยัง โยปะนัภิกขุรัตนังวารัตนะสัมมตังวาอัญญตระอจารามาวาอจารวาสะทาวาอุกัณนียาวาอุกัณณ้าเปยยวาปาจิตติยังรัตนังวาปะนัภิกขุนารัตนะสัมมตังวาอจาราเมยวาอจารวาสะเทวะอุเบหิตตาวาอุกันณณาเปตตาวะนิขิปิตตบังยัตสัพวิสติโสหริสติสติอยญตถาสมาจิ โยปะณะพิขุสั้นตังพิคุงอนาปุชาวิกาเลกามังปวิสัยยะอัญตระตาาโรปาอาจาริกากรณวยาปาจิตติยังโยปะณะพิคุอัตถิมะยังวาดันตมยังวาวิสาเนะมะยังวาสุกิกรังการาเปียเพธนักังปาจิตติยัง นาวัมปนาพิก pueblo, ุนามันจังวาปีทั้งวาการยะมาเนนะอันทั้งกุละปาละกังการเรตัมบังสุกิดตั้งกุเลนะอัญยัตระเหตมิมายากต่อนิยตั้งอติกามยโตเชตนากังปาจิตติยังโยปนาพิกุมันจังวาปีทั้งวาตูโลนะทังการาเปียญาอุดาละนาการปาจิตติยังนิสีและนนำปนาพิกุนาการยะมาเนนะประมาณไม่กังการเรตัมบังตัตตริดังประมาณนอง ดีฆะโสเดเวบิดัตติโยสุเตบิดัตติยาติระยังดียะถังด่าท้าบิดัตติตังอติกรรมยโสเชตนกลางปลายจิติยังกันดูปติชาดิ่งกว่านักพิกุณาการยะมาเนนะปามาไมกาการะเตมบาตตริดังปามานองดีฆะโสจตัตโสบิดัตติโยสุเกตบิดัตติยาติระยังเดเวบิดัตติโยตังอติกรรมยโสเชตนกลางปลายิติยัง วัตถิกาสาตวนิกังปะนาปิกุณาการยะมาเนนะกปมะนิกาการะตัมบะตตริดังปะมะนองเดียะโซชาวิดถิโยสุกตะวิดทิยาติริยังอัตเตียตังอติกามยโตเชตนะกังปะจิติยังโยปะนาปิกุสุกตะกีวรปะมะนองกีวรังการาเบยะอติเรกังวาเชตนะกังปะจิตติยัง ตัตตริดังสุกตตาสสุกตตาจีวระประมาณงดีคะโซณวะวิดัตติโยสุกัตตวิดัตติยาจิริยังชะวิดัตติโยอิดังสุกัตตาสัสุกตะาจีวระประมาณงรัตนวะโกณวะโม อุดิตถ้าโคอาเยตมันโตเดเวนวติปากิติยาธรรมมาตถายเยตมเตปุชามิกจิธปริสุทธาตตยมปุชามิกจิธปริสุทธาตติยมปุชามิกจิธปริสุทธาปริสุทธิ์ถ้ายตมันโตตัตมาตุนีเอวาเมจังธารายา อเมโคปนาเยตมันโตจัตตารโรปาติเดสเนียธรมมาอุดเดสังอา迦ชันเตโยปนาพิคุัญญาติกายะพิคุณิยะอันตรักหะรังปวิดหายะหัตถโตฆาดเนียังวาโพจนียังวาสหัตถะปังติเกเหตวาฆาเดยาวาคุณเจยวาปังอิเดเซตบังเตนะพิคุณา กาไรยังอาวุโสธรรมังอาปจิงอสปายังปายตเดสนียังตังปตัิเดเเซมิเตพิคูปะเนวากุเลสุนิมติจาผุญจันติตัตระเจพิคุนีโวซาสัมมะรูปะทังิตาโหติอิะสู่ปังเดทะอิะโอดังเดทาติเดหิพิคูหิซาพิคูนีอปัสซาเดตัมบาอปัสกาตาวะภะกินิยาวะพิคูหุนจันติติเอกัสปีเยพิคูโน ละปัตยาเสยะตังพิคุนิกะปะสาเดตุงอะปสกะตาวะภากินิยาวะพิขุบุญจันติถิปตะไิเดเสตตบังเจหิพิคุหิการชังอวุโสธรรมังอาปัจิมาอสปายังปาตังเดสนียังตังปะตังเดเสมาเด ญานิโคปนาตานิเศษสัมมาตาณิกุลานิโยปนาผิกุตธาโรเปสุเศศสัมมาเตสุกุเลสุปุเบอะนิปันติตวะเกลาโนฆาดเนยังวาโูชนิยังวาสหัธาปติงเกเหตวาฆาเดยะวาุลเจยวาปติเดเสตับังเตนะภิกุนา การยิ่งเอาโซธรรมังอาปัจจิงอาศปายังปาตเดสนียังตัณฑปฏิเดมีเตญานิโคปนตานิอารัญญกานิเสนสนานิสาสังกัสมาตาณิสัปตัญยานิโยปนภิกุตธาโรเบสุเสนสเนสุวิหารโตุมเบปปัตติสั่งบิดิตัง ข้าดนียังวาโู้เนียังวาอชาราเมสหท่าปัตติเกเฮตวาอกิลาโนคะเดยะวาผุนเจวาปัตติเดเสตบังเจนาภิคุณาการยั่งอาวุโตธรรมังอาปจิงอาสปายังปาปัติเดสนียังตังปัตติเดเสมีเต อุดิตถ้าโคอายยสัมมโตจัตตารโอปาติเดสนนยาธรรมมาตัดท่าเยสมัมมเตปุชามิกจิฐะปริสุทธาดุติยมปิปุชามิกจิตะปริสุทธาตติทียมปิปุชามิกจิฐะปริสุทธาปริสุทธิ์ถ้าเยสมัมมโตตัตสมาตุนีเอวะเมตังธารยามิ